อย่ารำคาญความคิดอย่าติดสมาธินิ่งๆหลวงปู่เสาอาจารย์ใหญ่กรรมฐานภาคอีสานท่านบอกว่าเวลานี้จิตข้าไม่สงบมีแต่ความคิดพอถามว่าจิตฟุ้งซ่านหรือย่างไรท่านอาจารย์ท่านตอบว่าอ้าวถ้ามันเอาแต่หยุดนิ่งก็ไม่ก้าวหน้า ทำสมาธิแล้วเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมานี่คือความก้าวหน้าของจิตสมาธิอันหนึ่งพอสงบแล้วมันก็มีแต่สงบละเอียดหายเงียบไปเลยนั่นสมาธิในฌานสมาบัติใช้งานไม่ได้สมาธินิ่งๆโดยไม่มีความคิดนั่นอย่าไปเอามันไม่ดีหรอกแก้ปัญหาไม่ตกถ้าจิตสงบแล้วมันเกิดปรุงแต่งขึ้นมา กำหนดสติรู้รู้รู้รู้ไปแล้วในที่สุดสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นมันเกิดเป็นปัญญาจะกำหนดหมายอารมณ์ที่ปรุงแต่งนั่นแหละว่านี่คือสังขาราอานิจจาบางทีคิดไปมันดีใจไปเสียใจไปทุกไปบางทีถึงร้องไห้ไปเมื่อสติดีขึ้นมันก็จะรู้ว่าอ๋อ นี่แหละคือทุกข์ข้าริยศสตว์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้บางทีมันนิ่งปับ๊บพอไหวตัวปับ๊บอ้อความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดมีพลังงานความคิดเป็นการผ่อนคลายความคิดนี่แหละมันมายุเป็นสภาวะให้เรากำหนดหมายรู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดดับ ความคิดนี่แหละมายั่วยุให้เราเกิดกิเลสยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์มันจะมองเห็นธรรมะชัดเจนไปอย่างนี้ถ้าสมาธิมันเป็นเองโดยธรรมชาติแล้วเราคุมมันไม่ได้หรอกสัญญาเจตนาจะคุมให้มันเป็นอย่างไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นอกจากจิตจะปฏิวัติตัวไปเลย เมื่อมันเป็นเองแล้วปล่อยเราเอาสติตัวเดียวเท่านั้นในที่สุดความตั้งใจที่จะกำหนดรู้มันก็หายไปจะมีแต่ความเป็นเองโดยอัตโนมัติของมันพอไปถึงจุดจุดหนึ่งจิตมันจะนิ่งปั๊บสว่างสวยัยสภาวะทั้งหลายมาวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาพอมันมาถึงความสว่างของจิตแล้วมันจะตกไปตกไปตกไป เหมือนมแมลงบินเข้ากองไฟที่ท่านบันทึกไว้ในหนังสือมุตโตไทยของหลวงปู่มั่นถีติภูตังนี่แหละคือถีติภูตังจิตนิ่งเด่นสว่างสวยัยสภาวะทั้งหลายมาวนรอบจิตตลอดเวลาแต่จิตหาได้วันไหวต่อเหตุการณ์นั้นไม่ มีแต่นิ่งเฉยเป็นปกติเบาสบายอยู่เท่านั้นทีนี้ถ้าหากจิตอยู่ในลักษณะอย่างนั้นจิตมันปรุงแต่งได้แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เกิดความยินดียินร้ายเรียกว่าวิสังขารเราจะมองเห็นสังขารได้ชัดเจนแต่ถ้ายึดแล้วยินดียินร้ายมันก็ถูกสังขารอาอนิจจาสังขารไม่เที่ยงเราจะมองเห็นได้ชัดว่า อ่อตัวอนิจจังมันก็คือจิตของเราไม่เที่ยงไม่ใช่สิ่งอื่นไม่เที่ยงสิ่งอื่นมันเป็นเพียงสิ่งที่มายั่วยุให้เราเกิดกิเลสอารมณ์เมื่อจิตยังไม่มีพลังเป็นอิสระเพียงพอมันก็หวั่นไหวต่อสิ่งนั้นๆมันก็เป็นอนิจจาแต่ถ้าจิตมันเกิดภูมิความรู้ความคิดอะไรขึ้นมา มันได้แต่นิ่งเฉยคล้ายๆกับว่าความคิดนั่นเป็นอีกอันหนึ่งจิตตัวผู้รู้เป็นอีกอันหนึ่งมันแยกจากกันเป็นคนละส่วนในลักษณะอย่างนี้ความยินดียินร้ายไม่มีพอใจไม่พอใจไม่มีมีแต่ความเป็นปกติจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมมันก็เป็นวิสังขารตั้งใจดูใหม่กาหนดดูใหม่ อย่าไปคิดรําคาญมันทำความเข้าใจกับเรื่องนิมิต เมื่อจิตว่างดูมันอยู่เฉยๆจิตว่างหมายถึงจิตไม่มีความคิดถ้าจิตว่างแบบสมาธิมันจะรู้สึกสว่างอันนั้นแสดงว่าสมาธิมีพลังงานแต่มันก็ไม่เสมอไปบางทีพอจิตมันว่างแล้วมันรู้สึกจำๆกระยิ่มกระยิมอยู่ในส่วนลึกๆอันนี้ก็ใช้ได้เมื่อเกิดนิมิตก็กำหนดรู้จิตเฉยอย่าไปวิ่งตามนิมิต ถ้านิมิตเป็นภาพนิ่งไม่ไหวติ่งสมาธิเป็นสมถะกรรมฐานถ้าปฏิภาณนิมิตนิมิตมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวิปัสสนากรรมฐานกำหนดหมายเอาอย่างนี้ง่ายดี